ใ ห, ให้มีเครื่องวัดนะพาลนิมิตภาลปาทานภาลลักษณะว่าใครเป็นพานจริงใครเป็นบัณฑิตจริงเอาอะไรเป็นเครื่องวัดกรรมบทสิบเป็นเครื่องวัดก็เอามนุษย ธ, ธรรมธรรมดาเนี่ยมาวัดหนึ่งศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สากายกรรมเป็นยังไงพยาบาทแรงไหมโลภมากไหมมีกรรมมศกตาหรือเปล่าเนี่ยนะก็เอาสัมมาทิฏฐิ10บเนี่ยเป็นเครื่องวัด ว่าใครจะเป็นพานหรือเป็นบัณฑิตเนี่ยนะทีนี้เมื่อเราครบที่คนที่เป็นบัณฑิตคือผู้ที่บริบูรณ์ด้วยสุจริตสามเนี่ยนะเขาก็จะแนะนําให้เราสุจริตไปด้วยถ้าใครแนะนําให้เราทําทุจริตให้รู้เถอะว่าคนนั้นคือปาปะมิตรเขาจะเป็นแม่ก็ตามพระสุทินเนี่ยนะมีอุปนิสัยมักผลแต่ไม่ได้บรรลุเพราะมีปาปะมิตรคือใครรู้ไหมคือแม่ นะท่านแม่ก็ในฐานะปาปมิตรคำว่าปาปมิตรไม่จําเป็นจะต้องอคนอื่นเนี่ยนะแม้กระทั่งแม่เราเนี่ยถ้าชักชวนให้เราทําทุจริตชื่อว่าปาปมิตรหมดเนี่ยนะในการมบทถ์สิบนะไล่ดู่ถ้าชักชวนให้ออกนอกกุศลการมบทเนี่ยคนนั้นชื่อว่าปาปมิตรหมดเลยแล้วเราเองก็ชว่วชวนคนอื่นก็ไม่ใช่น้อยใช่ไหมอันนั้นเราเองก็ไม่ใช่การยานามิตรของคนอื่นนะคนที่รู้ตัวว่าเป็นทานก็พอที่จะเป็น บัณฑิตได้บ้างนะะขอขอให้แยกไอความเป็นพานให้ออกก่อนอะไรว่าเออพานเป็นยังไงบัณฑิตเป็นยังไงอันนี้อันนี้เป็นคุณธรรมของสติชั้นต้นๆ้นด้วยนะสติชั้นต้นๆ้ น, น, น, นจะมาจะแยกแยกสิ่งเหล่านี้ออกนย้อนมาถึงปัจจัยของปัญญาเนี่ยนะที่สำคัญในถ้ากล่าวตามคำพีวิพังเนี่ยนะ ผู้ที่มีสุตะมยะปัญญาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญญาของพระสาวกทั้งหลายนะจินตามยะปัญญาเนี่ยเป็นของพระปเจกพระพุทธเจ้ากับสาวกข้าพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายอันนั้นอีกในหนึ่งนะแต่จะไม่กล่าวตามในนั้นเนี่ยนะจะเราจะกล่าวตามในเนติปกรณ์ในเนติปกรณ์นั้นกล่าวถึงว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังเนี่ยนะก็ฟังในทีนี้ก็ต้องฟังอริยสัตว์นะ เมื่อฟังอริยสัจแล้วเข้าใจทรงจําได้ไข้ครควนอันนี้เรียกว่าสุตะคือไข่ครควนตามขณะฟังได้เนี่ยนะส่วนถ้าทรงจําไว้ได้แล้วไปคีดต่อไปเจริญต่อไปพิจารณาต่ออันนี้ก็เป็นจินตามยะปัญญาส่วนภาวนามยะปัญญาเนี่ยคืออะไรก็คือไอ้ที่ฟังและใส่ใจนั่นแหละทําให้มันเกิดได้จริงๆเช่นว่าถ้าทุกฟังเรื่องทุกก็ทําปริญญาจริงอ่ะ สมุทัยก็ละจริงนิโรธก็ทำให้แจ้งจริงมรรคก็เจริญจริ ง, รงอย่างนี้จึงจะเรียกว่าภาวนาคือเมื่อมาทำกิจนั้นๆ น, นะนะอย่างบุคคลทั่วๆไปเนี่ยนะก็ฟังเหมือนกันแต่ทำไมไม่ชื่อว่าสาวกสาวกก็แปลว่าผู้ฟังเนี่ยนะก็เพราะว่าไม่ทำกิจของผู้ฟังสาวกทั้งหลายเขาทำปริญญากิจปหานากิจสัจจกิริกิจภาวนากิจคือเขาทากิจในอริยสัจ ของเราฟังอริยสัจแต่ยังไม่ได้ทำกิจกําลังเริ่มทำกิจนะในหลายท่านแต่ว่าจะเสร็จหรือไม่ก็อยู่ที่ความเพียรนะ <c oughs> ผู้ที่กล่าวว่าสุตตรมยปัญญากับจินตามยปัญญาเนี่ยนะบางคนเนี่ยฟังย่อๆคิดเองได้บรรลุได้เพียงแต่ยกหัวข้อขึ้นบุคคล น, นี้เรียกว่า อุคติตันยูบุคคลบางคนเนี่ยฟังแบบย่อก็ไม่เข้าใจคิดต่ออีกไม่ได้ต้องขยายเป็นอย่างมากพวกนี้เรียกว่าวิปัญจิตันยูเนี่ยนะต้องแสดงอย่างมากจึงจะ บ, บรรลุได้ส่วนพวกอีกบุคคลก็ไม่มีทั้งสองไม่มีทั้งสองคือมีไม่บริบูรณ์ทั้งสองประการมีไม่มากะนะก็เรียกว่าไม่มีซะเลยหรือมีแล้วก็ไม่ได้ทากิจเหล่านั้นนั้นตามที่ตามที่มีอ่ะนะ อันนี้แหละเป็นนัยยะบุคคลเนี่ยนะแต่ถ้าไม่เพียรซะก่อนมีอยู่หลายแห่งที่กล่าวถึงอา น, นิสงส์ของผู้ที่ทำความเพียรเนี่ยนะคือผู้ที่ฟังสัจจะทำเสร็จแล้วเนี่ยนะถ้าบำเพ็ญความเพียรท่านบอกว่าสามารถบรรลุในปฐ ม, มวัยก็ได้ถ้าไม่บรรลุในปฐ ม, มวัยแล้วบรรลุต่อไหนมัชิมวัยถ้าไม่บรรลุในปัจฉิมะวัยบรรลุต่อไหนปัจฉิม ะ, ะ, มะวัยถ้าไม่บรรลุในปัจฉิมวัย ถ้าถ้าเจริญไม่มากแ ล, นะล้วนะบรรลุใกล้าตายใกล้าตายคือปัจฉิมวัยนี้ก็ตั้งแต่เท่าไหรด่ดียุคนี้ก็สักหกสิขึ้นก็ปัจฉิมวัยแล้วนะเสร็จ แ, แล้วถ้าไม่บรรลุละ่ะใกล้าตายไม่บรรลุอีกเป็นเทพบุตรและจะบับบรรลุเร็วคือที่ไม่บรรลุบางคนด้วยเหตุผลว่าปฏิสนธิด้วยทวิเหตเนี่ยนะอาจจะเจริญได้มากแต่ว่าทวิเหตุนําเกิดเนี่ยนะ ชาตินั้นยังไงก็ไม่ได้บรรลุอยู่แล้วก็ต้องชาติหน้าจะบรรลุเร็วกว่าเพื่อนถ้าชาติหน้ า, เ, าเป็นเทพบุตรแล้วยังไม่บรรลุไปไหนก็บอกว่าบางท่านก็บรรลุเพราะมีพระภิกษุที่มีฤทธิ์แสดงธรรมในสวรรค์ก็จะบรรลุตอนนั้นบางท่านบรรลุเพราะเทวดาด้วยการแสดงก็บรรลุบางท่านบรรลุเพราะคนอื่นเตือนบอกเมื่อก่อนเนี่ยท่านเจริญไว้มากนะท่านพิจารณาอริยสัจไว้เยอะแล้วนะทําไมตอนนี้ขี้เกียจไปละ่ะ แล้วก็เตือนว่าจะได้บรรลุเหมือนกันเสร็จแล้วถ้าไม่ได้บรรลุก็บอกว่าถ้าลงมาเป็นมนุษย์อ่ะไม่ใช่ในพุทธสมัยจะเป็นพระปัจเจกพรพุทธเจ้าถ้าในพุทธสมัยท่านก็บอกว่ามีปัญญามากเหมือนพระสารีบุตรใช่หมเป็นผู้ที่มากไปด้วยสมาธิเหมือนพระโมคคัลลานะจะมีสติทรงจาได้มากเป็นต้นเหมือนพระอนนท์ จะเป็นผู้ที่บรรลุเร็วเหมือนกับพระพาหิยะเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอ น, นิสง์ของการบำเพ็ญความเพียรเอาไว้เนี่ยนะเพราะการภาคเพียรการพิจารณาธรรมะเนี่ยนะจะบรรลุได้ก็ดีถ้าบรรลุไม่ได้ก็ทำเราใดก็ไหลมาแต่แต่เหตุแต่ปัจจัยอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าเราจะต้องการให้ผลเกิดขึ้นก็เน้นไปที่ที่เหตุเนี่ยนะสมมติถ้าเราต้องการผลว่าสิบ อาจจะเอากี่ปีดีกนะสปีข้างหน้าแล้วนะจะหวังคุณจะทำอะไรไว้บ้างอนะ่ะเราต้องการอะไรนะจะบอกสมมุติอีกสามปีข้างหน้านะนี้ทุกนี้ทุกสมูทัยเป็นต้นจะต้องเอาสิ่งนี้มาคิดอย่างน้อยวันละห้สิรอบอย่างงี้ยไนะก็เริ่มเอาตั้งแต่วันนี้ล้เนี่ยนะวันนี้ได้กี่รอบแล้วเนี่ยนะวันนี้เอาเรื่องนี้มาคิดกี่ทีอย่างเงี้นะก็เอาได้นะอีกสามปีข้างหน้ามันก็เป็นไปได้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้ตั้งเอาไว้เลยเนี่ยนะชีวิตแบบ อะไรที่มันไปเรื่อยๆนี่พอใจไหมขับรถเนี่ยนะไปเรื่อยๆแล้วแต่มันจะปันแล้วแต่มันจะเป็นเนี่ยเอาไหมในกรุงเทพเนี่ยนะผมไม่รู้ออกซอยไหนก็ไม่รู้ตกถนนตกที่ไหนอีกก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการเจริญการปฏิบัติทําความชัดเจนตั้งแต่เรื่องฟังนี่ต้องต้องมีเป็นอันดับแรกเพราะฉนนั้นสุตามายญาณทั้งหลายเนี่ยท่านจึงบอกว่ารู้อะไรรู้อริยสัจนะไอ้ที่ฟังก็ฟังอริยสัจฟังแล้วทรงจําไว้ได้ก็ทรงจํา อริยศาสตร์อีกนั่นแหละจะต้องชัดเจนตั้งแต่แรกเพราะเราที่เรามารักษาศีลมาเจริญสมถะอบรมปัญญาก็เพื่อแทงตลอดอริยศาสตร์ถ้าไม่เข้าใจอริยศาสตร์ตั้งกับเบื้องแรกนะคิดไหมว่าจะบรรลุอริยศาสตร์ถ้าเราเจริญไปมากๆแล้วนะไม่รู้อริยศาสตร์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่กราบเรียนถามพระคุณเจ้านะครับก็ทราบว่าผู้ที่อบรมแล้วก็ทําปริญญาศึกษาใน ศิกขานเพื่อจะรู้อริยสัจเนี่ยจะต้องเป็นทวเหตุหตุุุุุุุุุุนุุุุบุญญงงบบุุเป็นาาุุนุุรรุุุุุุรรุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุัุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ ที่เรียกว่าจะต้อง อ, อยู่ในในบุคคลบางคนมันงั้นเถอะก็เหมือนอะไรเหมือนกับการแต่งตั้งเป็นพระราชาจะต้องมีคุณสมบัติเป็นพื้นฐานใช่ไหมแม้กระทั่งาการสมัครเข้าเป็นข้าราชการทั้งหลายเขต้องมีคุณสมบัติเป็นพื้นฐานที่ที่จะเอาได้ที่เขาจะรับสมัครได้ฉันใดเนี่ยนะในในการบรรลุโลกุตระคุณก็เหมือนกันถ้าไม่มีปัญญาเป็นอุปนิสัยเนี่ยที่ที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยนะโลกุตระคุณเกิดไม่ได้ เขาก็จะอบรมวิปัสนาได้ระดับหนึ่งแต่ไม่เพียงพอที่จะบรรลุได้เนี่ยนะเพราะเขาว่าอะไรเพราะคนไม่ค่อยฉลาดคือบางคนอาจจะเรียนมาสมมตนะิวิทยาลัยทําไมเขาต้องอสอบเข้าเนี่ยนะถามทําไมต้องสอบเข้าเพราะว่าบางคนนี่ก็น่าจะเรียนทุกคนเรียนในมหาลาัยได้ก็บอกเรียนได้แต่บางคนมันหลายปีเกินไปเนี่ยนะเพราะเขาจํากัดว่าจะต้องจบภายในเท่านี้เพราะงั้นเขาจึงคัดคนเข้า นี้ก็เหมือนกันน่ยนะการการตรัสรู้รมก็มีลักษณะเดียวกันครานี้พวกที่เป็นทุกวิเหตุทุกะนี่สามารถที่จะถ้าอบรมฌานนี่จะได้อุปจาระหรือว่าอบรวิปัสสนานี่เป็นปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณได้ไหมครับก็เป็นได้อยู่แล้วนี่ยนะอุปจาระนี่จาระาไม่เที่ยงก็ได้อยู่แล้วเป็นทุกเป็นอนัตตานี่นะอาทีนวานุปัสสนาเป็นต้นก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่สามารถบรรลุได้ฌานก็ไม่ได้ครับฌานไม่ได้คือคุณธรรมที่ยิ่งกว่านั้นไม่ได้ ได้สมถาวิปัสนาทั่วๆไปแต่ก็ได้อุปนิสัยเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะก็ถือว่าถ้าไม่เจริญตอนนี้นะีจะคิดนะว่าอะไรจะเป็นเหตุให้เขาได้ตีเหตุขึ้นบ้างเอาถ้าถ้าสมมตินนะเกิดมาเราก็บอกเออฉันเนี่ยทวิเหตุละไม่มีปัญญาประกอบเลยเพราะฉะนั้นฉันก็เลยไม่ต้องไปสนใจเกี่ยวกับบุญประเภทปัญญาถามว่าแล้วจะเอาบุญตัวไหนนาเกิดจะได้มีปัญญาล่ะไอตอนเหตุยังไม่ทาเลยนะ คือชาติวิบากเนี่ยอุปมาเหมือนเงาเหมือนภาพถ่ายเท่านั้นเองนะไม่แต่งตัวจริงให้ดีคือมหากุศลให้ดีแล้ววิบากจะเป็นติเหตุไนดะ้อย่างไรันติเหตุเนี่ยสำคัญมากนะถือว่าเป็นคุณสมบัติชั้นพื้นฐานเครียกว่าอันตรายยิกธรรทำเนี่ยนะทำที่ทำอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลเนี่ยมีอยู่5ประการใช่ไหมหนึ่งก็กรรมกรรมอันตรายเนี่ยนะใครใครทาอนันตริยกรรมก็หมดสิทธิบรรลุ ชาตินี้นะหมดสิ บ, บรรลุข้อสองอวิปากันตรายเนี่ยนะพวกทวิเ ห, เหตุกับอเหิบตุกะปฏิสนธิไม่บรรลุทีนี้ถ้าติเหตุกิเลสเป็นอันตรายไหมเป็นถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็บรรลุไม่ได้ถ้าไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิออกบวชมาดีแต่เรื่องล่วงอาบัติอยู่ด้วยเจตนาไม่ยอมทําคืนเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอนาวีติกมะเนี่ยนะอนาวีติกมะ แต่หลายเรื่องไม่เป็นเลยอะ่ะไปหมิ่นท่าอริยะเอาไว้ไปดูหมิ่นก็อริยปวาระมันห้าประการนี้ทำให้ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้เนี่ยนะแต่ว่าพวกติเหตุุกะก็มาแบ่งเป็นสามชนิดติเหตุกะคือติเหตุกะที่จับบรรลุนะเงื่อนไขเขาต้องหนึ่งไม่มีอันตรายยิธรรมที่เหลือแล้วมาปฏิบัติเนี่ยนะอย่างที่เรียกว่าอุคติตันยูเนี่ย ในอัตกถาท่านบอกว่าเพราะเขามีอาสยะกับประโยคะดีอยู่แล้วพวกอุคติตันยุบุคคลนะพวกบรรลุเร็วๆสมัยพู้จการโดยมากคือคนดีอยู่แล้วเขาเป็นคนดีจริงๆเนะอาสยาเขาดีประโยคนเขาาก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วเนี่ยนะเป็นคนที่ฝักฝ่ายในเรื่องบรรลุเป็นเรียกว่าเอาอยากบรรลุเป็นหลักเลยนะเขาไปจะบรรลุจริงๆเลยอะอย่างกลุ่มมานบสิบกคนที่เป็นสิทธิพราหมภาวรีใช่ไหม เขาจะไปบรรลุเลยอ่ะเขาจะไปฟังเอาบรรลุทันทีเลยเขาเขาสนใจประเภทนั้นมากเพราะนั้นพวกนั้นจึงจึงที่ตั้งของบรรลุแต่ของของเราโดยมากคนไทยก็ตั้งว่างไงเนะี่ยโดยมากขอให้บรรลุในอนาค ต, ตการเบื้องหน้า น, น, น, นู้นเะทินนะไอเบื้องหน้าก็ไม่รู้หน้าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะนั่น ะ, ะตรงนี้เขาเขาเรียกว่าไม่เรียกว่ามักน้อยอะไรอย่างงี้เรียกว่ามากักมากผู้ที่ไม่ปรารถนาบรรลุเนี่ยพวกนี้มกักมากในกามนันะ เกณฑ์ว่ามากน้อยในกุศลเนี่ยนะโอ้โหไม่ทํากิจที่พระพุทธเจ้าชมไม่แต่ข้อเดียวเลยเนี่ยนะเขามีแต่บอกเขาชมพระพิสุทธ์แบบไห น, นรู้ไหมก็ชมว่าพวกที่ตั้งใจว่าจะบรรลุวันนี้นี่แหละจะบรรลุวันนี้นี่แหละศีลพวกนี้จึงจะเป็นศีลที่บริสุทธิ์อย่างจริงๆเนี่ยนะแล้กลุ่มอื่นก็ค่อนข้างยากเพราะะไหร่พอสมมุติว่าพวกกลุ่มผลัดวันตะการพรุ่งเลยนะอย่าว่างานทางธรรมะเลยเนี่ยนะทางโลกก็พอกหางอะไรก็ไม่นึกพอกหางอะไรดิพอกไว้เต็มไใหมุกเลยนะ กบพวกข้าวผัดทั้งหลายทีนี้มาดูขึ้นอริยสัจดูบ้างนะว่าธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยถามว่าสอนอะไรหรือแสดงอะไรก็สัจจะทั้งสี่เนี่ยนะคือทุกขสมุ ท, ทยัยนิโรธแล้วก็มรรคเนี่ยนะถ้า ถามว่าทุกขาริยศัสตร์เนี่ยคืออะไรเนี่ยนะก็คือสิ่งที่น่าเกลียดเป็นที่ตั้งแห่งอันตรายทุกชนิดเนี่ยนะทุกขสัตว์นะตัวเขาเองเนี่ยน่าเกลียดด้วยแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งอุปัตวะเนี่ยนะอย่างมากแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่คนพานคิดะนะตัวเขาเองเนี่ยน่าเกลียดนะทุกขสัตว์เนี่ยน่าเกลียด เป็นที่ตั้งแห่งอันตรายทุกชนิดแม้กระทั่งทิฐิทั้งหลายกิเลสตัณหามานะตัวตัวทุกข์ก็น่าเกลียดอยู่แล้วกิเลสสารพัดที่จะเกิดเพราะอาศัยทุกเนี่ยนะแล้วไม่เป็นอย่างที่คนพานคิดกันถามว่าคนพานเนี่ยคิดในทุกขาริยาสัตว์เนี่ยยังไงคนพานนคิดในทุกขาริยสัตว์คิดว่าไงคิดว่าเที่ยงนะสุขงามแล้วก็อัตตา ถ้าอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าไม่รู้ลักษณะของทุกขศัตร์ตามความเป็นจริงซึ่งความเป็นจริงของทุกขศัตร์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอสุภะเนี่ยนะที่เขาบอกว่าทุกทุกทุกขศัต์เนี่ยลักษณะรู้ยากก็ยากอย่างนี้เพราะเห็นเมื่อไหร่ก็สุขสวยเป็นต้นเนี่ยนะมันไม่ได้ไข่ควนในในความเป็นทุกขศัต์คือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็น อนัตตาอสุภาพอะไรเลยเพราะฉะนั้นลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะสัตว์ไม่ปรารถนาจะรู้ด้วยเนี่ยนะเขาจึงเรียกว่าปุตุชนใช่ไหมแปลว่าคนพวกหนึ่งที่แยกออกต่างหากจากพระอริยนะคําว่าปุตุชนเนี่ยนะแล้วก็มีอยู่คําหนึ่งก็ชอบใจถึงทุกวันนี้เขาบอกว่าแงนหน้าดูหน้ า, าศาสดาบ่อยๆเนี่ยนะตรงนี้นะไม่รู้จะไปแงนหน้าดูใครอีกต่อไปก็ไม่รู้นะตอนนี้เอาพระพุทธเจ้าไว้ก่อนนะเดี๋ยว ชาติหน้าค่อยว่าทีไม่รู้จะไปแงนดูใครต่ออีกนะถ้ายังเป็นปุตุชนนี่ก็เป็นอย่างนั้นอยู่จริงๆเพราะผู้ผู้ที่เป็นปุตุชนทั้งหลายก็ยึดถือในทุกขสัตว์ว่าเที่ยงว่าสุขว่างามว่าอัตตาซึ่งต่างจากพระอริยะทั้งหลายหรือแม้ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยะเริ่มเห็นนะเนีเห็นตามเป็นจริงของทุกขสัตว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาและอสุภะเนี่ยนะ แล้วสมุทยศาสตร์ล่ะตัวที่ที่ตัวการใหญ่แบบนั้นเถอะในการประชุมเพื่อให้ทุกข์สัตว์เกิดขึ้นเนี่ย น, นะตัวการใหญ่เลยนะเป็นเรียกว่าเจ้าหนะ้าที่ธุรการในการจัดประชุมให้ให้เกิดขึ้นนะนะีบอกว่าไม่ได้นะฉันต้องให้แกเกิดในคันต่อไปนะทีนี้เอาไงดีอ่ะถ้าจะเกิดในคันได้หาบริการบริการของตันหาก็คือกรรมใช่ไหม ก็ไปหาบริขารคือกรรมมาแล้วก็พาให้ปฏิสนธิในในคันต่อไปเนี่ยนะปฏิสนธิที่เป็นกองทุกต่อไปเพราะนั้นตันหาเนี่ยเป็นตัวที่นํานําเกิดเนี่ยนะแต่อย่าลืมนะตันหาถ้ามันชอบมันชอบที่ไหนความวิปลาดนั่นแหละคือตัวตัวตันหาคือตัวจัดแจงในการนําเกิด บางคือบางคนเขาสงสัยว่าเอ๊ก็ฉันอยู่ของฉันทุกวันฉันไม่ได้เห็นคิดเรื่องเกิดอะไรชาติหน้าเลยแล้วมันจะไปนาเกิดได้ยังไงนะก็คิดง่ายๆเมื่อใดที่ชอบสีนั่นแหละสร้างตาแล้วเนี่ยนี่คิดวิธีคิ ด, คดง่ายๆนะถ้าสีสวยเที่ยงสุกงามอาตาเนี่ยนะเนี่ยคือสร้างตาคิดว่าเสียงเพราะเสียงดีเสียงเป็นต้นเนี่ยสร้างหอเปลนรสโพตพระถ้าเปลน เพลิดเพลินในกลิ่นสร้างจมูกเพลิดเพลินในรสสร้างลิ้นเพลิดเพลินในโพธภะเนี่ยนะอากาศกําลังดีเลยพวกนี้ทั้งหลายแหละเนี่ยสร้างกายตัวตัณหานีสร้างกา ย, านะากายแล้วก็เพลิดเพลินในความรู้สึกนึกคิดทั่ ว, วไปเนี่ยนะอันนี้เป็นการสร้างสร้างใจ น, นะตัณหาเนี่ยนะเป็นเป็นเหมือนกับมารดาใช่ไหมก็ต้องไปหาบริขารหาบริวารคือกรรม จะเกิดในที่ใดเกิดดีเกิดไม่ดีเนี่ยฉันไม่ใช่ภาระของตัณหาภาระของกรรมเนี่ยนะมโนสัเจตนาหารก็โยนขึ้นไปในภพต่างๆแล้วนิพพานเนี่ยนะคือยังไงนิรทุกขนิโรธเนี่ย<ะ>ก็สลัดออกจากสังสารวัตเนี่ยนะเป็นการออกจากสังสารวัตเป็นการออกจากคติห้า นิโรธสัตมนั้นผู้ที่จะแทงตลอดได้ต้องเป็นคนที่เห็นโทษของคติห้าเนี่ยนะคติห้านะต้องเห็นโทษของนรกเปรตอสุรกายนรกเปรตเดรัจฉานมนุษย์เทวดาเนี่ยนะถามว่าทำไมต้องเห็นโทษแม้กระทั่งความเป็นเทวดาเพราะเทวดาก็ไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะก็จึงเห็นโทษเพราะเทวดาทั้งหลายก็คือนับเนื่องในทุกขสัตย์อยู่กันก็มีสภาพที่ไม่เที่ยงสภาพที่เป็น เป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ในในสวรรค์อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสวรรค์จึงก็จึงไม่น่าเพลิดเพลินเนี่ยนะถ้ากล่าวไปแล้วอย่างที่เคยกล่าวว่าอาทีนวะและผลเป็นทุกขสัตต์อัศาธาเป็นสมุทัยสัตต์นิสรณะเป็นนิโรสัตต์เนี่ยนะอุบายและอานัตนี้เป็นมรรคสัตต์อุบายตัวนั้นเนี่ยเป็นชื่อของวิปัสสนาและมรรคนะีอุบายตรงนี้นะบอกวิวปัสสนาและมรรค ชื่อว่ามกษัตรย่อมแสดงสัจจะทั้งสี่เหล่านี้เนี่ยนะคำสอนที่แสดงสัจจะทมสี่เรียกว่าธรรมจักเนี่ยนะธรรมาจักกับปวัตตนสูตรหรือถ้าใครที่อ่านเรียกว่าอนุปุพิกานะที่เรียกว่าสามูสิกังเทสนาคือธรรมะที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงเนี่ยนะ ธรรมะที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงเนี่ยคืออริยสัจอัตกถาท่านบอกว่าสัจจะวินิมุตตาหิภควะโตเทสนานัติแปลว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่มีอะไรที่จะพ้นไปจากสัจจะสี่เนี่ยนะทีนี้อริยรสัจสีเนี่ยนะพระองค์เริ่มแสดงตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ที่ป่าอิสิปัตนะมรุกทายวันเนี่ยนะที่พระองค์บอกว่าเราได้แสดงธรรมจักอันยอดเยี่ยมที่ อิศิปตนะมรุกขายาวันเมืองพาราณสีว่าเตภูมิกธรรมทั้งเเตภูมิกธรรมนี้ชื่อว่าทุกขสัตว์ น, นะเตภูมิกธรรมคือธรรมที่เป็นไปในภูมิ3เป็นทุกขสัตว์ภูมิ3ก็คือกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิถ้ากล่าวพบ3มนั่นะกำเนิด4ก็เท่ากับแสดงล้เพราะภูมิ3มันก็เกิดด้วยกําเนิดสีนั่นแหละ ถ้ากล่าวกําเนิดสี่คติหก็เท่ากับแสดงแล้วถ้ากล่าวคติห้าวิญญาณทิติเจ็ดก็แสดงถ้ากล่าววิญญาณทิติเจดภูมิเป็นที่อยู่ของสัตว์คือสัตว์ตาวาสก็เท่ากับแสดงหมดแล้วเพราะฉะนั้นความเป็นไปแห่งทั้งหมดทุกเที่นั่นแหละคือทุกขสัตว์ก็ที่เคยถามเมื่อกี้ว่ามีมีมีอะไรมั่งที่เราคิดพ้นทุกขสัตมนี่ไหมไม่ค่อยมีนั่นแหละทั้งหมดอะที่เราคิดตัวความคิดของเราด้วยสิ่งที่เราคิดถึงด้วยทั้งหมดคือ ทุกขสัต์ทุกขสัต์อันนั้นความเป็นจริงของเขาคือเป็นทุกข์ยังไงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้แบบย่อๆถ้าขยายละเอียดขึ้นไปจะเป็นยังไงเพราะสิ่งที่เราคิดถึงโดยมากเป็นสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีชราเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดาสิ่งใดก็ตามที่มีชาติก็ต้องมีชรา แล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งโศกะปริเทวะทุกโทโมนัสและอุปาญาต์นะไม่ต้องตายก่อนนะแล้วค่อยโสกะนะแค่คลอดมาก็โสกะปริเทวะนี่แลว้วโอหอาทิตย์ที่แล้วนะทั้งขามาขาไปเลยนะขามาเด็กใครมันร้องหน่าดูเลยขากลับเด็กฝรั่งก็ร้องอี ก, กันะก็ร้องเป็นคนละชั่วโมงกว่ากว่าเลยนะก็นั่นแหละผมว่าเน่มันทุกขตั้งกับเด็กเลยเนี่ยมันจำเป็นต้องอายุมากแล้วใช่ไหมจึงทุกข์นะ มันก็หัดทุกข์มาตั้งกันเนโน่เนี่ยนะก็ร้องอย่างนั้นะนะทุกข์พรอไรเพ่ะชาติชรามรณะโสกกะปริเทวทุกขโทมนัสและอุปาญาตทุกข์นี่อีกในหนึ่งะอีกในหนึ่งก็ทุกขกทุกขสังขารทุกข์วิปริณามทุกข์บางอย่างก็เป็นปฏิชันะทุกข์อัปปฏิชันะทุกข์เนี่ยนะทุกข์บางอย่างก็ปกปิดบางอย่างก็เปิดเผยเนี่ยนะส่วน ทุกที่ถามว่าเรากลัวจริงๆเนี่ยกลัวทุกไหนออกกลัวทุกกระทุกกันนะจริงๆแล้วเรากลัวทุกกระทุกกันนะแต่ว่าทุกกระทุกเนี่ยมีอะไรเป็นอันนะเวทนามีสามยศสุขทุกและอุเบกขาถามว่าสุขเวทนามีอะไรทุกขเวทนามีอะไรอยู่ใกล้ก็มีสุขใช่ไหมเมื่อไรที่เราสุขนะให้รู้เธอว่าเดี๋ยวจะทุกแล้วนะ เมื่อไหร่ที่ทุกข์อยู่ก็เดี๋ยวไม่นานจะสุขแล้วเนี่ยนะก็อยู่อย่างนี้แหละก็วนๆกันไปนะเพตอนเมื่อสุขก็อย่าดีใจเลยเพราะอีกสักพักเราจะทุกข์แล้วนะถ้าทุกข์ก็ไม่ต้องเสียใจเพราะอีกไม่นานเราจะสุขอีกแล้วเนี่ยนะเพราะว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะถูกปัจจัยตรงแต่งทั้งคู่นั่นแหละแต่ทีนี้ถ้ามันทุกข์หลายวันจะทำไงเนี่ยไอ้ทุกข์ที่ไม่เที่ยงนะบางอย่างนี่มันทุกข์อยู่นานนะไม่เที่ยงอ่ะแต่ว่าแหมมันไม่เลิกสักทีอะอย่างเสียใจบางเรื่อองะะน มันก็ไม่เที่ยงหรอกแต่ว่ามันคิดเมื่อไหร่ก็เสียใจยทุกทีเนี่ยนะทุกเหล่านี้เนี่ยที่เป็นที่ตั้งแห่งทุกโดยทั่วไปเพราะไม่ทำปริญญานะกิจของเขาก็คือปริญญากิจในทุกขาริยศัตร์เหล่านี้นะซึ่งสมณะพิสูตัวนั้นเนี่ยเอาออกนะอัตตากถาท่านบอกบัญประชิดซึ่งไม่ใช่พิกษูในาศาสนานี้ สมณะก็ดีพราหมณ์ก็ดีเทวดาก็ดีมารก็ดีพรมก็ดีบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดีในโลกคือในสัตวโลกเนี่ยนะไม่สามารถแสดงได้ทั้งหมดนี้ชื่อว่าธรรมจักรคือน่าคิดว่าทําไมบุคคลอื่นไม่สามารถแสดงทุกขสัจได้ละ่ะเนี่ยนะมีอะไรเป็นเป็นเครื่องแปลกมีอะไรเป็นเป็นข้อมามาให้เป็นเครื่องกําหนดว่า ไม่มีคนอื่นๆแสดงทุกขศัตร์ได้อ้าวคนอื่นก็พูดถึงชาติชรามรณะเป็นต้นไม่ใช่หรือใช่แต่ไม่มีผู้ใดบัญญัติทำในสามภูมิเนี่ยนะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาได้คือไม่สามารถแสดงแบบนั้นได้ก็แสดงอ่ะใครก็รู้นะโดยธรรมชาติวานรกรกนี่ก็ทุกข์ละเปรตก็ทุกข์ เ, กกเดรัจฉานส่วนหนึ่งก็ทุกข์หมู่มนุษย์ทั้งหลายก็ลำบากเดือดร้อน แต่ทำไมจึงบอกว่าไม่แสดงทุกแต่หมายถึงไม่สามารถประกาศเพื่อให้ละวิปลาสในสิ่งนี้ได้จึงเรียกว่าไม่สามารถแสดงทุกขาริยสัตว์เพราะจุดประสงค์จุดมุ่งหมายของการแสดงทุกขาริยสัตว์ก็เพื่อละวิปลาสถ้าไม่แสดงในทุกขะสัตย์เพื่อให้ละวิปลาสก็ชื่อว่าไม่สามารถประกาศทุกขาริยสัตว์ได้ง้ไง ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยนะขึ้นต้นก็อีทางทุกขังอริยสัจจังไงไหมชาติพิทุกขาชร า, าพิทุกขามรานามพิทุ ข, ขังเนี่ยนะเป็นสูตรแรกเลยนะที่เป็นอารมณ์ของมรรคข้อที่หนึ่งคือเป็นอารมณ์ของสัมมาทิฏฐิที่เป็นยานเบื้องต้นนะ่ะนะอนุโพธยานเนี่ยอนุโพธยานของสัมมาทิฏฐิจะไปใคร้ครวรทุกขสัตว์โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะเป็นเที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรค จริงๆการพิจารณาว่าชาติชราพญาที่มรณะเนี่ยนะก็คือหนึ่งในตีรณปริญญาใช่ไหมตีรณปริญญามี40ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นชาติธรรมโตชราติธรรมโตนะมีชาติเป็นธรรมดามีชราเป็นธรรมดามีพญาที่เป็นธรรมดามีมรณะเป็นธรรมดามีโศกะปริเทวะทุกโทมณอุปาญาตเป็นธรรมดาดังนั้น ก, ก็การเข้าไปพิจารณาอย่างนี้ก็คือหนึ่งในการทําตีรณปริญญา เพื่อที่จะได้ละความสําคัญว่าเราว่าของเราเนี่ยว่าเราว่าของเราได้ยังไงสมมุติร่างกายเนี่ยจะบอกว่าของเราได้ยังไงเนะ่ยพอมันป่วยแล้วบอกของเรานะมันป่วยอย่างไงเนี่ยบอกไม่ค่อยได้นีตอนที่มันมีปัญหาจริงๆก็ไม่ค่อยบอกว่าของเราอนี่ยตอนที่มันดีก็บอกว่าของเราที่พระพุทธเจ้าให้ละว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยนะให้ละตอนมันดีหรือตอนมันไม่ดีแล้วตอนมันดีนะไม่ใช่ว่า ไปเห็นในตอนไม่ดีตรง น, นั้นไม่ต้องละหรอกเพราะยังไงมันก็ไม่เอาอยู่แล้วเนี่ยนะทุกขเวทนาใครจะเอาบ้างะนะแหมทําหมอให้ยาแก้ปวดได้จะแหมนึกถึงบุญคุณของหมอมากเลยที่ช่วยให้รับลดปวดแสดงว่าจำไม่เอาเต็มที่แต่ที่จะเอาคือเอาในปิยรูปสาตรูปในอิทธารมทั้งหลายเพราะฉนั้นสมุทัยเนี่ยที่ท่านสอนให้ละคือให้ละในปิยรูปสาตรูปให้ละในอารมณ์ที่น่าปรารถนา พระพุทธเจ้าในการแสดงอริยศัสตร์เนี่ยนะใช้บทไม่มีประมาณเนี่ยนะใช้อักษรไม่มีประมาณวากยะไม่มีประมาณเนี่ยนะคืออักษรจริงๆนะข้อแรกก็ต้องเป็นอักรรข้อสองเป็นบทข้อสามวากยะข้อสี่คือวากยะหมายถึงพยัญชนะนะข้อสี่ก็ส่วนแห่งวากยะส่วนแห่งวากยะนั้นก็คืออะไร อใช่คือถ้าถ้าเราเปรียบเทียบถ้าถ้าเป็นหนังสือจะเป็นแบบนี้นถ้าเป็นรูปแบบเล่มห น, นังสือเนี่ยนีคือเรื่องอะไรก่อนก็จะต้นด้วยอักษรไงกอไก่ข้อไก่ค้อ ข, ขวดสอาสอาสะอสะ อ, สอีถ้าพสนะพวกอักษรพวกสระพยัญชนะทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอักขระเนี่ยเรียกว่าอักขระถ้าอักขระมารวมรวมกันเรียกว่าเรียกว่าคํา ประแบบผู้ปฏิบัติไทยเราเนี่ยถ้าหลายๆอักขระมารวมๆกันเนี่ยนะเรียกว่าคําถ้าหลายๆคํามารวมกันเป็นชุดเรียกเป็นประโยคถ้าหลายๆประโยคมารวมๆกันเรียกว่าเป็นเป็นวรรคหรือเป็นตอนถ้าหลายๆตอนมารวมกันนี่คืออะไรก็เป็นหน้าหรือเป็นเป็นเรื่องเป็นบทเนี่ยหรือถ้าเป็นอภิคัมภีเรียกเป็นปริเชดเนี่ยนะเป็นปริเชดถ้าหลายๆปริเชดมารวมๆกันเรียกว่าอะไร เรียกว่านังสือเรียกว่าเล่มหรือเรียกว่าคำบรรยายนี่ก็ลักษณะเดียวกันนั่นเองนะถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะชัดอย่างว่าบทบทอันนี้ข้อแรกจริงๆแล้วต้องเป็นขึ้นต้นด้วยอักษระนะอักษรนั้นถ้าดูตามอัตกถามหาิเทศเนี่ยนะอัตกรถาเรื่องแรกเลยอารัมพกระถาเนี่ยจะแสดงไว้ดีส่วนอัตกถาของ เนติประกรณ์นี้ยังไม่ได้แปลเนี่ยนะจริงๆก็แปลไว้ถ้าอัฏฐะก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะักท่านก็จะอธิบายพวกอักขระพวกบทพยัญชนะอักอาการนิรุ t นิเทศตามอัตกถามหานิเทศนะโน้ตเป็นบาลีไว้หน่อยนะหกคำก่อนนะพยัญชนะบทเนี่ยหคคาคือ 1. อักขระ 2. บท 3. พยัญชนะเนี่ยนะ 4, อาการ 5. นิรุต อกนิเทศ